เรื่องการถ่ายรูปท่านพระอาจารย์มันรูปท่านพระอาจารย์ที่เราเห็นนั้นจะเป็นรูปที่ท่านตั้งใจให้ถ่ายทั้งหมดถ้าท่านไม่ให้ก็ไม่มีใครถ่ายติดี่เป็นเรื่องจริงมีอยู่ครั้งหนึ่งคุณศรีปทุมวงศ์มาอุปถากท่านพระอาจารย์เที่ยวไปฟังเทศไปอุปการะด้วยปัจจัยสี เมื่อท่านอาพาธขุนสีก็ส่งหมอไปหมอฉีดยาให้ท่านสองเข็มและให้ยาเวชันด้วยหมอของขุนสีพักอยู่ที่นั่นถึงสามวันอาการดีขึ้นท่านก็บอกว่าพอแล้วนะไม่ต้องมาฉีดอีกอาการหายแล้วพอขึ้นไปครั้งที่สองหมออ้อช่างถ่ายภาพไปด้วยกราบนมัสการท่านว่าพวกกระผมขออนุญาตถ่ายภาพท่านอาจารย์ ไว้เป็นที่เคารพ บ, บูชาท่านว่าไม่ได้ดอกโยมหมอัอตมาไม่ให้เพราะโยมหมอถ่ายภาพของอัตมาไปเพื่อจะทำการซื้อขายหาอยู่หากินกลัวโยมจะเป็นบาปอัตมาไม่ให้เขาก็กราบอ้อนวอนท่านบอกว่าเราเป็นคนรู้จักภาษาไม่ให้ไม่ให้ใหเข้าใจมิละ่ะเขาก็เลยเลิกไม่อ้อนวอนอีก พอเช้ามาท่านไปบินทบาทเขาก็ไปตั้งกล้องในที่ลับกล้องขายอย่างสามขาถ่ายเสร็จก็เอามวนนี้ออกไปหลังจากท่านบินทบาทท่านนั่งให้พรถ่ายมวนที่สองไปอีกมามวนที่สามมวนที่สี่จนสี่มวนแล้วก็ไปอีกนี่ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเอาอีกสี่ท่าครั้งที่สามเอาอีกสี่ท่า ลับไปล้างอยู่ที่พังโคนไม่มีอะไรติดเลยสิ่งที่จะปรากฏเป็นละอุจจาระท่านเจ็บป่วยท่านล้มหายตายจากก็ดีมารยาทของความล้มหายตายจากก็ถ่ายไม่ติดทําไมท่านจึงไม่ให้ติดเพราะว่าการเห็นรูปภาพเช่นนั้นจิตของบุคคลผู้ที่เห็นอาจจะเป็นกุศลหรืออกุศลและเพื่อรักษาจิตผู้พบเห็น ไม่ให้เป็นอกุศลท่านจึงอธิฐานไว้ไม่ให้ติดอย่างรูปยืนที่เราเห็นนั้นคงจะเป็นรูปที่ท่านต้องการให้ถ่ายจึงหมให้เป็นกิจจลนะักษณะคล้ายกำลังเดินจงกรมปกติเวลาท่านเดินจงกรมถ้าเป็นฤ ด, ดูหนาวก็จะคลุมผ้ากันหนาวถ้าเป็นฤ ด, ดูร้อนท่านก็จะใส่แต่ผ้าอังสะททำแบบสบายสบาย ขณะที่หลวงปู่มั่นกำลังจะมรณาภาพและหลังมรณาภาพมีภิกษุบางรูปใช้กล้องถ่ายภาพท่านไว้แต่ไม่ติดเลยสักรูจากเรื่องที่หลวงตาทองคำท่านเล่านี้ควรจะเป็นตัวอย่างให้หล่อสิทธิ์ได้ระลึกนะครับว่าการถ่ายรูปครูบาอาจารย์ไปเผยแพร่นั้นควรคำนึงถึงความเหมาะสมด้วยคนธรรมดาแต่ละคน เวลาใครถ่ายรูปไปเผยแร่ที่ไหนบางทียังแต่งหน้าทำผมวางท่าทางจัดองค์ประกอบอย่างดีคงไม่มีใครอยากให้คนอื่นเห็นเราเวลาที่ไม่พร้อมหรือกำลังโทรมกำลังเจ็บป่วยสภาพไม่น่าดูสมัยก่อนท่านไม่กล้าสร้างรูปเหมือนพระพุทธเจ้าก็เพราะว่าท่านงามเกินกว่าจะปั้นได้เหมือนและกลัวว่าถ้าทไม่เหมือนทาออกมาไม่ดีจะเป็นการไม่สมควรปราะาคนรุ่นหลังมาเห็นแล้วไม่ศรัทธา หรือนึกดูหมินก็จะเป็นบาปของเขาแต่ถ้าทำออกมาดีก็แน่นอนว่าจะทำให้คนที่ได้พบเห็นนั้นเกิดศรัทธาปสาทะได้ง่ายต้องยอมรับว่าคนทั่วไปยังเต็มไปด้วยกิเลสยังติดในรูปรสกลิ่นเสียงที่น่าพอใจถ้าเจอสิ่งที่ไม่สวยงามดูไม่ดีก็อดที่จะคิดในแง่ลบหรือไม่ส่งเสริมให้เกิดศรัทธาได้ง่ายเท่าสิ่งที่น่าดู จะเห็นได้ว่าหลวงปู่มั่นท่านก็บอกเองนะครับว่ารูปที่ไม่สมควรนั้นจะส่งผลเสียต่อผู้คนในภายหลังอย่างไรยังไม่นับกับผลกรรมของคนที่เอารูปไปเผยแพร่คิดดูว่าวิบากรรมจะส่งกับเขายาวนานแค่ไหนกรรมออกผลก็อาจมาในรูปของการทำดีแทบตายแต่คนไม่เห็นแต่เวลาผิดพลาดคนกลับได้เห็น หรือได้เห็นในสภาพที่เราไม่น่าศรัทธาไม่น่าดูเป็นต้นส่วนตัวแล้วก็แปลกใจมานานเพราะได้เห็นเหล่าสิทธิ์ของหลายสำนักถ่ายรูปครูบาอาจารย์ตอนท่านป่วยบ้างตอนท่านแต่งตัวไม่เรียบร้อยขณะที่ใส่แค่อังสาบ้างหนักสุดที่เคยเจอก็คือรูปของพระเทระองค์สำคัญขณะโมรณาภาพและมีสํารีอุทจมูกกลับถูกถ่ายรูปลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ให้คนทั่วไปได้เห็น ได้แต่สงสัยนะครับว่าทำไมจึงเผยแพร่าภาพเหล่านั้นทั้งที่ไม่ควรจะให้คนอื่นเห็นควรให้คนอื่นและคนรุ่นหลังจดจำแต่ภาพดีๆตอนท่านแข็งแรงอยู่ในสภาพที่พร้อมมากกว่านะครับซึ่งเรื่องนี้หลวงปู่มั่นท่านก็สอนไว้เป็นตัวอย่างจนถึงขั้นอธิษฐานไม่ให้ใครถ่ายท่านติดยกเว้นเมื่อท่านพร้อมและตั้งใจให้ถ่ายเท่านั้นให้สังเกตนะครับว่า พระวิไนจำนวนมากก็เป็นข้อห้ามเพื่อไม่ให้ประชาชนเห็นพระในเวลาไม่เรียบร้อยนอนก็ต้องปิดหน้าต่างประตูไม่ให้คนเห็นกิริยาท่าทางการครองผ้าและหลายเรื่องต้องมีภาพจำให้ชาวบ้านเกิดศรัทธาได้ง่ายเวลาพบเห็นเพื่อรักษาพระศาสนาให้ดำรงอยู่ได้นานที่สุดลองพิจารณาดูนะครับว่าในพระวิไนนั้นทรงเคร่งเรื่องภาพของพระที่ปรากฏต่อชาวบ้านมากแค่ไหน ดังนั้นก่อนจะเผยแพร่รูปภาพแม้แต่คนธรรมดาก็ตามก็ควรพิจารณาสักนิดก่อนว่ามันสมควรหรือไม่เป็นภาพที่น่าดูส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีงามของแต่ละท่านนั้นหรือไม่ในกรณีเป็นพระถ้าคนเห็นรูปแล้วสร้างศรัทธาหรือทำลายศรัทธาของผู้คนโดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่ศรัทธาจะเกิดศรัทธาหรือไม่ถ้าได้เห็นซึ่งหลวงปู่มั่นท่านก็สอนไว้เป็นตัวอย่าง ว่าอะไรควรไม่ควรนะครับ